أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا ل ح م د لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا م ض د ل له وما ي د ل ه فلا ه ا د ِ ي له اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ر ض ي ت ولك الحمد เบลริดะว่าชหรว่าไม่เเล้วไม่เเล้วไม่เเล้ ا, أ ل ม่เเล้วไม่เเล้วไม่เเ د ้วไม่เเล้วไม่เเล้วไม ل เ ا ล้วไม่เเล้วไม่เเล้วไ ق ่เเล้ ل ไม ا เเล้วไม่เเล้วไม ه เเล ه วไม่เเล้วไม่เเล ي วไม่เเล้ ذكر قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد عزب الله م الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إ ل ل يعبدون وقال زاد a z z a q a i ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نترين م ا بق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ سلام ทักทายพี่น้องด้วยแล้วก็พี่น้องที่ส a l a เข้ามาให้ก่อนก็คุณรุ่งอรุณนะครับส a มาก่อนแล้วก็วุ้ณส alam อัุลละบรกกาตัวทำดลครับผมเช่นเดียวกับคุณโกมลนะครับส a l a มาก็ไว้คุณสุลลาห์ละบรกการตัแล้วก็ นักเรียนหน้าแถวหน้าแถวหน้าห้องนะครับผมพี่สัมมาสละมาก็ไว้ลิขุมสละุอารามาุตุลอฮิบวะบาระกะตูพี่น้องที่รักจริ ง, ง, งครับอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสูงผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ของพงษ์ถึงเป้าหมายหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พงค์สร้างพวกเราทุกคนมาบนผืนแผ่นดินนี้พรลลอฮ์กล่าวว่าเราไม่ได้สร้างมนุษย์แล้วเพื่อยินมาเพื่อ อ, อื่นใดเลยนอกจากอย่างเดียวคือลียะบูดูนเพื่อให้พวกเขานั้นทําให้อัลลอ รักแล้วก็ทําให้อลลอฮ์พอใจเพ ร, ะเราะนั่นเป้าหมายของมุสลิมเราสิ่งที่เราต้องพยายามตอกย้ํากับตัวเองก็คือสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้อลลอฮ์รักหรือทําให้อลลอฮ์รังเกียจนี่คือที่มาของการพูดคุยของเราเมื่อเราพูดถึงเรื่องอัตตาที่บางอัลกุรอานเมื่อเราพูดถึงส่วนของตั ศ, ศซ์ีตเม่งเราพูดในสระอัลเบลเดในไอายาที่ฟลาบบ้อัลัมเนจเกลลูอายนินวลิสานาวาชัฟเต้วฮารีนาฮุนเนจเดนเราไม่ได้ให้เขามีหนตา2อา หปาถึงว่าสองลิ้นปากแล้วก็1ลิ้นแค่นั้นหรือแล้วพวกเราได้บอกว่าและเราก็ได้นําทางเขาสู่หนทางที่ชัดเจนทั้งสองหนทางหนทางที่ทําให้อัลลอฮ์รักแล้วก็หนทางที่ทําให้อัลลอฮ์ไม่รักผมได้ประทานกุรอานมาผู้บอกให้รู้ว่าทำยังไงอัลลอฮ์รักทํายังไงอัลลอฮ์ไม่รักแล้วพวกเราได้ส่งท่นานอบีุลมฮ uh ัมหมัดสุลตอัลลอฮุอะลัยฮุอะสซาลามะเพื่อทําการอถาธิบายให้เราเข้าใจถึงคำพีที่อัลลอฮ์ให้เรามาประเด็นของเราครับ ตอนนี้ที่เราพูดคุยกันก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้อัลลอฮ์รักเราอยู่เพราะว่าคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ว่าเขาอยู่ในดุนยาเขาอยู่ในสภาพของบุคคลที่ได้รับความโกดดิ้วของอัลลอฮ์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ได้พูดคุยว่ากลุ่มชนที่อัลลอฮ์กดดิ้วกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ลงโทษตั้งแต่ดุนยาลงโทษแบบด้วยความรังเกียจเนี่ย มีอยู่มากมายหลายกลุ่มเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรารอดพ้นจากกลุ่มคนเหล่านั้นเราก็มาดูสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราซึ่งผลลูกเราให้พี่น้องทั้งหมด9สัญญาณด้วยกันทบทวน6สัญญาณที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับอาจจะทบทวนเร็วนิดหนึงเพราะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในสัญญาณต่อๆไปครับผมพี่วันนีนะครับพี่สาวสุธิรักษ์ก็มาก็สลามมาก็พี่คุณสลามอัลลอฮ์วะบาริกาตุลนะครับพี่ซันมาดูอามาให้ก็บาริกลอั ล, ลฟี่คุมเช่นเดียวกันครับผมอ่ะไปต่อเลยครับเพื่อใช้เวลาให้ คุณค่าที่สุดบางครั้บอกทําไมคืนนี้เลทก็คือตั้งใจว่าอยากใช้ผลอิชาไปก่อนนะครับเวลาจะได้ไม่ค้ามเกี่ยวกันการสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์รักเราครับสัญญาณที่หนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เรามีความอ่อนโยนกับครอบครัวของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ครอบครัวหรือครอบครัวใดเขามีความอดอ่อนโยนให้กันและกันที่มีพื้นฐานอยู่บนความรักของอัลลอฮ์มีพื้นฐานอยู่บนความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์นั่นแสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเขา นี่คือสัญญาณข้อที่1นสัญญาณข้อที่2ครับเมื่อไหรก็ตามที่เวลาที่เราอยากจะทําสิ่งที่ฮารอมทําสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์หรือจะล่มหลวงกับ dunya รู้สึกว่ามันทํายากกเกินเดี๋ยวก็ติดอย่างนั้นเดี๋ยวก็ติดอันนี้อันนี้คือความรักขอร้อง Allah, ที่เอาล้อหึงหวงเราไม่อยากให้เรานั้นไปทําสิ่งที่พงรังเกียจ นี่ก็แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราข้อที่สามที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราก็คือเมื่อไหรก็ตามที่พวกเราให้เรานั้นมีความรักมีความหวงเห็นาศาสนาของพระองค์คือเมื่อไร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าการทำในด้าฉันมีภูมิใจมากๆฉันดีใจมากๆที่เป็นมุสลิม สามารถประกาศให้คนทุกคนรับรู้ได้แล้วก็รู้สึกรังเกียจเหลือเกินที่ว่าจะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมจะกลัวเหลือเกินหรือว่าอะไรที่มันส่งผลกับอกีดาของฉันการศรัทธาของฉันฉันจะไม่ยุ่งเด็ดขาดจะห่วงแหนจะเฝ้าระวังแล้วก็จะรู้สึกรักในการเรียนรู้ศาสนาของพระองค์ของเราเมื่อไหรก็ตามที่พี่น้องรู้สึกห่วงแหนการเป็นมุสลิมของพี่น้องนั่นแหละครับแปลว่าอัลลอฮ์รักพี่น้องแล้วสัญญข้อที่สี่ครับผมใครก็ตามที่อัลลอ ดักเดให้เขานั้นสามารถให้ความช่วยเหลือของพี่น้องของเขาได้ซึ่งไม่ใช่คนทุกคนทําได้เราจะสังเกตครับว่าคนที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องของเขาได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ร่ํารวยต่อให้เป็นคนที่ยากไร้แค่ไหนถ้าเขาจะช่วยเขาสามารถช่วยได้จนบางครั้งเราแปลกใจว่าสุภานัลล์ลิสกี้เหล่านี้มาจากใครไหนทําไมเขาถึงสามารถช่วยพี่น้องของเขาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดก็ตามครับที่ว่ารักในการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องพุท่านอื่นในความที่เขาเดือดร้อนให้อาหารเขาให้การปลอบโยนให้การปลอบใจขอให้รู้ว่าอัลลอฮ์กำลังรักพี่น้องอยู่เพราะถ้าไม่รักพ่อรอดจะไม่ให้เรามีความสามารถช่วยคนอื่นเพื่อพวกแน่นอนครับสัญญาณข้อที่5ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อรอดทดสอบเราซึ่งบางท่านก็บอกว่าฉันจะรู้ได้ย่งไรว่ารอทดสอบอเดี๋ยวรอดลงโทษแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะสัญญาณข้อ5ก็คือเมื่อไหรก็ตามที่อัลลอฮ์ทดสอบเราแปลว่าอัลลอฮ์รักเรา และสัญญาณข้อที่หเมื่ อ, อไหไ่ก็ตามที่อัลลอฮ์ลงโทษพวกเราตั้งแต่ในดุนยาซึ่งเป็นการลงโทษที่ทำให้เรานั้นมีสติแล้วมีอีมานเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบททดสอบหรือการลงโทษนั่นแสดงถึงความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเราโดยเฉพาะที่ผมย้ำไว้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาโดยเฉพาะผู้ที่รักอัลลอ์มากๆอัลลอ์ก็จะยิ่งมอบบททดสอบที่หนักมาให้กับเขาเพราะบท ทดสอบที่หนักนั้นจะมีการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ตามมาเสมอแล้วผู้เ่าล้อจะทดสอบเราตามความสามารถอีหมานที่เขามีถ้าผู้ว่าล้อรักใครบรัชบราเทนาจจะรูอาจจะรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินพี่น้องครับขอดอวยจากขลาวว่ให้เรามีความหนักแน่นให้เรามีความมั่งคงแล้ว่าขออวยจากผู้ว่าล้อว่าอยากทดสอบเราในสิ่งที่มันหนักเกินความสามารถของเราแล้วถ้าผู้ว่าล้อจัดทดสอบอะไรเราก็ตามก็ขอให้พงษ์ช่วยเหลือเราพงษ์นั้นเป็นผู้เมตตา ว่าให้ความเชื่อเราเสมอครับผมก็จะเรียน้อะที่จะมีความเป็นประจำก็คือยาหมุกลิบาลกลูบิทรปิสกลบิอลาลีนิกพูให้หัวใจพิกผันไปมาโปวดให้หัวใจของฉันถูกพันอยู่กับธงด้วยเถิดเพราะนั้นพี่น้องที่นะครับจะทดสอบหรือจะลงโทษถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่โดยแล้วมันทําให้คนคนนั้นตะเิดออกไปจากการเป็นสติมนั่นแสดงให้รู้ว่าเราหลังเกียรติเขา ใครก็ตามที่เหมือนกันจะเป็นมุสลิมเป็นลูกของมุสลิมแล้วก็หลุดออกไปขอให้รู้ว่านั่นคือบุคคลที่อัลลอฮ์รังเกียจเรียบร้อยแล้วก็นางอูบิน ล, ลัยมันดาลีขอลอบคุ้มครองตัวผมแล้วก็พี่น้องที่รักทุกท่านให้รับพ้นจากการเป็นกลุ่มคนที่อัลลอฮ์รังเกียจครับผมวันนี้ครับเรามาคุยกันต่อครับว่าแล้วอะไรอีกหลักที่เป็นสัญญาณต่อมาที่ทําให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์นั้นรักฉันสัญญาณข้อที่เจเป็นสัญญาณที่ว่าทำกันได้ทุกคน ไม่ใช่เรื่องยากไม่เหมือนกับสัญญาณที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันในตัวของมันเองก็มีความยากในตัวสัญญาณข้อที่เจก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักละซูลมากกว่ามนุษย์คนใดก็ตามบนผืนแผ่นดินนั้นนั่นแหละเป็นสัญญาณที่แสดงให้ดูว่าอัลลอฮ์รักเราแล้วพี่น้องบางท่านฟังอาจจะแปลกฉันรักละซูลแล้วอัลลอฮ์จะรักฉันเลยพี่น้องครับหัลวะ รักท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์ละฮ์องอัลลอฮ์สุลละฮมากที่สุดแล้วในบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพวกก็รักใครก็ตามที่รักคนที่อัลลอฮ์รักพี่น้องจับได้ไหมครับที่เราพูดคุยกันที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์ละฮ์สุลต์ละฮ์บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่อัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะบอกกับท่านชิบลินว่าไงครับชิบลินข้ารักเขาเจ้าจงรักเขาด้วยแล้วท่านชิบลนก็จะบอกกับไนกาชาวฟ้าทั้งหมดซึ่งเป็นชาวที่สะอาด เป็นผู้ที่สะอาดไม่มีสเนจิยยสไม่มีสิ่งโ ส, งสกบกท่านจุบินจะประกาศว่าชาวฟ้ามาลายแก้ทั้งหลายอัลลอฮ์รักคนคนนี้เจ้าจงรักเขาซะไปนั่งใครก็ตามที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็จะรักบุกคคลผู้นั้นแล้วก็บุคคลผู้ใดก็ตามที่รักเขาโดยเฉพาะกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลอานวะเลยซัลลัมพวกเราทราบกันดีครับท่านนบีกล่าวว่โาโพลละขมักโพลละสุบฮานตราได้กล่าวว่าย่งไรครับในสรุรษะอันีซาอายะที่หกส้ากุล อินคุณตุมถูกรองคะู้เนเจ้ิมคุณองค์จงการศึกษาขมูฮัมมัดหากพวกเจ้ารักองล์พระจางทาตามฉันแล้วองค์พระผูนจะรักพวกคุนจากอิยุรานี้แสดงให้รู้ว่าคำว่ารักนบีมีเงื่อนไขคืออะไรครับถ้ารักนบีคุณต้องทำให้ตรงกับที่นบีทำไม่ใช่แค่บอกว่าฉันรักนบีแล้วองค์พาะจาจะรักฉันเลย เงื่อนไขของคำว่ารักนบีคือรักนบีปฏิบัติตามนาบีแล้วก็มีความผูกพันกับท่านนาบีนักวิชาการหลายท่านครับได้อธิบายความหมายของคําว่ารักนบีไว้อย่างมากมายเรามาดูตัวอย่างครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายอายา น, นี้ต่ออีกทีินชาวร้อนนะครับผมแต่ว่าอยากหยิบยกคําพูดของนักวิชาการที่เขาพูดถึงความรักว่าเมือ่อไหร่ล่ะที่เราจะบอกได้เลยว่าฉันนั้นรักนบีจริงคําพูดที่ อยากยมานะครับเอาคำพูดของเชคอุซายมินรอยฮูลล์ก่อนเชคอุซายมินบอกว่าไงครับสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าคุณรักนบีมูฮัมมัดสุลตานของอิสลามอย่างแท้จริงนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่คุณหรือที่คนคนที่คุณรักมากๆจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นใครก็ตามที่คุณรักมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเหล่านั้นเนี่ยสั่งใช้คุณให้ทําอะไรสักอย่างที่เป็นคําสั่งที่ขัดกับสิ่งที่ท่านนบีบอก เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่คุณรักมากสั่งให้คุณทําอะไรสักอย่างที่มันขัดกับสิ่งที่นบีบอกคุณจะเลือกและทิ้งคําพูดเหล่านั้นแล้วเลือกปฏิบัติตามนบีต่อให้เขาเป็นพ่อต่อให้เขาเป็นแม่ต่อให้เขาเป็นคู่ครองต่อให้เขาเป็นลูกหลานต่อให้เขาเป็นใครก็ตามบน ผ, ลผลืนแผ่นดินที่เราคิดว่าเรานั้นรักเขามากสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าเรารักท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตานอย่างแท้จริงคือการที่เมื่อ คำพูดใครก็ตามค้านกับนบีเราพร้อมที่จะทิ้งคำพูดเหล่านั้นเพื่อยึดคำพูดของท่านนาบีมูฮัมหมัดสโลงฮุสไลฮิอัลสลัมเช่นเดียวกันครับเจ้าจอิบามอัลอาสกาลานี่สุบฮานัลลอฮ์ท่านได้พูดสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าคนเึงรักนบีไว้ยิ่งใหญ่มากครับท่านอาอัสกาลนีบอกว่าไงครับว่ามินอลามะติลฮบบุบอัลมสกรูร อ้ายูอร على المرء أ ل ا خ ي ر بين فقد أرض من أقراده أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة فإن كان فقدها أ ل كان ا كانت ممكنة عشت عليه من فقد شيء من أقراده إلى خ ر كلامي สรุปคาพูดของเชคอิบนะฮิจัดอัลลสกาลนีนะครับท่านบอกว่าไงครับหนึ่งในสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าคนคนนึ่งรักท่านอับดุลียิง คือการที่สมมุติว่าท่านชะคาว่าสมมุติว่าถ้าหากว่าเขาจําเป็นจะต้องเลือกระหว่างการสูญเสียผลประโยชน์ในดุนยากับการสูญเสียโอกาสที่จะได้พบเจอกับท่านลบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมถ้าเกิดเขาจําเป็นจะต้องเลือกระหว่างเขาจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ในดุนยา ผลประโยชน์กับการที่แย้พบเจอท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์วะไลล์วัสสลัมเขาพร้อมที่จะทิ้งผลประโยชน์ดุลยาทั้งหมดเพื่อที่จะได้พบเจอกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์วะไลล์วัสสลัมบุคคลอันเป็นที่รักเองเป็นการอธิบายที่เห็นภาพเป็นการอธิบายที่เห็นภาพเพราะว่าถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งครับยกในกรณีของความรักในระหว่างหนุ่มสาวเราจะพบว่าเมื่อผู้หญิงรักใครสักคนเขาสามารถจะทิ้งดุลยาทั้งใบเพื่อคนที่เขารักได้ อย่างเมื่อคุณแม่รักลูกมากๆสามารถทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดทำให้เราเข้าใจว่าคนที่รักกันจริงต้องเป็นอย่างนี้เรามาถึงประเด็นที่สำคัญครับพี่น้องเป็นประเด็นที่ว่าหลายคนถามคำถามก็ว่าจะเป็นไปได้อย่างไงที่ฉันจะรักคนที่ฉันไม่รู้จักที่ฉันจะรักคนที่ฉันไม่เคยไม่เคยเจอมากกว่าความรักที่มีต่อพ่อที่มีต่อแม่ เราพูดถึงภาคปฏิบัติบางท่านบอกว่ายากบางท่านก็บอกกับผม ต, มตรงๆเลยว่าครูมันเป็นไปได้เลยที่เราจะรักมนุษย์คนหไหนมากกว่าเชียรักพ่อมากกว่าเชียรักแม่เป็นคําถามที่ดีครับเป็นคําถามที่ดีมากแล้วมาดูตัวบทก่อนที่ว่าครับมุสลิมจําเป็นต้องรักท่านนะบีมากกว่าทุกคนจริงไหมเนเรื่องของอิมามบุคอรีครับท่านลบีมุฮัมมัดสุลต้องว่าเลยสลัมได้พูดไว้ครับว่าละยุมินู อาอาอบบอาดดุกกมมมััตูนนนบบิลลวววชีคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านจะยังไม่มีการศรัทธาที่สมบูรณ์คือการศรัทธาเขายังบกพร่องเขายังไม่ใช่ที่รักหอหล่ออย่างแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านจะยังไม่ใช่ที่รักหอหล่ออย่างแท้จริงจนกว่าฉันฉันคือใครครับท่านอับดุมฮัมหมัดสุลต่านอะเลวะซัลลัม จนกว่าฉันนั้นจะเป็นที่รักสําหรับเขายิ่งไปกว่าพ่อของเขายิ่งไปกว่าลูกของเขายิ่งไปกว่ามนุษยชาติทั้งหลายแปลว่าในฮิสบทนี้ท่านอบีได้บอกว่าอัลลอฮ์จะรักสําหรับผู้ที่รักท่านอบีมูฮัมมัดสุลตองของอัลลอฮ์สุลต์มากกว่ามนุษยชาติทั้งหลายมากกว่าพ่อมากกว่าลูกมากกว่าใครพี่น้องที่รักครับฮาริสบทนี้ถ้าเรามา ไม่ควรเราจะพบว่าฮาริสบทนี้ครอบคลุมถึงความรักทั้งหมดเท่าที่คนคนหนึ่งจะมีได้ครอบคลุมถึงความรักทั้งหมดเทด่าที่คนคนหนึ่งพึงจะมีได้เพราะปกติในเรื่องของความรักคนเราจะมีความรักอยู่สามแบบทั่วไปแล้วคนเราจะมีความรักอยู่สามรูปแบบรักแบบเทิดทูนรักแบบให้เกียรติรักแบบเทิดทูนเช่นความรักของเราที่มีต่อพ่อแม่ของเรา เป็นความรักของเราที่มีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณกับเราอันนี้คือความรักแบบแรกซึ่งท่านอับดุลเบี๋ยมฮุสไลล์ฮอริสลัมบอกว่าไงครับจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะรักฉันมากกว่าพ่อของเขาคือจนกว่าความรักแบบเทิดทูนเราจะมีมอบให้กับท่านอับดุลเบี๋อมฮุสไลล์ฮอริสลัมมากกว่าที่เทิดทูนคนอื่นความรักแบบที่สองความรักที่มีแบบมอบให้หมดใจแบบผูกพันเหมือนกับความรู้สึกที่เรามีให้กับลูก แต่เป็นความผูกพันที่ว่าอยากจะปกป้องที่ว่าอยากจะอยู่ใกล้ที่ว่าพร้อมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาท่านบีก็บอกว่าไงครับมินว่าละดีฮีจะไม่ศรัทธานะจนกว่าความรักที่คุณมีต่อท่านบีเนี่ยจะมากยิ่งกว่าความรักที่มีคุณมีต่อลูกของคุณสุบานะวะต่อไปครับความรักรูปแบบที่สามก็คือความรักในฐานะของเพื่อนสนิทในชนาะของ ความรักฉยนิดนะครับความรักที่มีต่อเพื่อนที่มีต่อคนที่เราเจอที่มีต่อคนที่เราคบค้าสมาคมก็เป็นความรักรูปแบบที่สามที่มีในดุนยาและแน่นอนความรักรูปแบบที่สามนี้ก็ควบคุมไปถึงคู่ครองด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท er ่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลตานก็ได้ใช้คําว่าวันน่าสัชมาอีนรักมากกว่าความรักที่มีต่อมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ครับกลับมาคุยถึงประเด็นสำคัญของเราครับแล้ว ทำยังไงล่ะที่เราจะรักคนคนนึงที่เสียชีวิตไปแล้วที่เราไม่ได้เจอกับท่านแล้วที่เราไม่ได้พูดคุยกับท่านแล้วเป็นไปได้ยังไงที่ว่าเราจะรักมากกว่าคนอื่นคือบางคนอาจจะบอกว่าโอเคฉันรักนบีมากกว่าคนอื่นถามว่าลึกๆในใจของเราเนี่ยเรามั่นใจไหมว่ารักนบีความรักนั้นมากกว่าที่มีกับคนที่เราเขา่ารบมากกว่าบุคคลที่เราผูกพันสุดๆมากกว่าบุคคลที่เป็นเพื่อนสนิทมิสหาย บางทีเราก็ตอบตัวเองได้ยากเห็นด้วยไหมครับบางทีก็ตอบตัวเองได้ยากงั้นทำไมมุสลิมเราถึงต้องรักเนบีมากกว่ารักคนทุกคนบนโลกใบนี้นี่เป็นคำถามที่อยากให้พี่น้องลองคิดทบทวนดูลองตอบตัวเองดูหรือถ้าเกิดท่า น, นสนใจพิมพ์คาตอบพิมพ์มาได้คาถามทาไมมุสลิมเราถึงต้องรัก ท่านอับดุลเบียร์มูฮัมหมัดสลุลตาฮาวารสัลัมมากกว่าทุกคนบนโลกทำไมต้องรักมากกว่ารักพ่อรักแม่ทําไมเลยท่านอบีทําอะไรให้คู่ควรกับความรักขนาดนี้นี่คือโจทย์ที่พวกเราต้องตีให้แตกไม่งั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักนะบีมากกว่าผู้อื่นครับเดี๋ยวผมให้เวลาเผื่อพี่น้องจะพิมพ์คําตอบหรือว่าพิมพ์ข้อเสนอแนะนะครับสำหรับท่านที่สละมาหลังๆที่ผมไม่ได้เ อ, อ่ยนามนะครับจะเป็นคุณตูบาหรือว่าคุณซ้ คุณซอสหรือว่าท่านใดก็ตามนะครับที่ผมไม่ได้นก็ไหวเลยคุณาลามบตุลลอฮฺวารกกาทุยแล้วก็ขอบคุณสาหรับอิมติคอนน่ารักน่ะที่ส่งมาให้คำบรรยายนะครับคุณลักษณะก็สลา ม, มาก็ไคุณศสลามบตุลลอฮารากกาทุเช่นเดียวกันครับผมคุณหมออัดสุทธร ก, กับคุณซาดาระ ก, ก็สลา ม, มาครับก็หวคุณาลามบตุลลอฮฺวบรกกาทุโอเคครับย้อนกลับมาที่คาถามเลยแล้วกันเป็นไปได้ยังไงที่คนคนหนึ่งจะรักนบีมูฮัมมัดรอฮฺสละมากกว่าคนอื่นแล้วทาไมถึง รักท่านอื่นมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลคำตอบก็คือเริ่มจากทีละประเด็นก่อนทายังไงถึงจะรักนบีได้จะรักใครสักคนได้คุณต้องรู้จักคนคนนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งรู้จักเขามากยิ่งเขาเป็นคนดียิ่งเขามีบุญคุณกับคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะรักเขามากขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหากอยากรักท่านนบีให้มากขึ้นต้องเรียนประวัติของท่านนบีให้มากขึ้น ศึกษาหะดิษสองท่านนาบีให้มากขึ้นแล้วพี่น้องจะรักนบีมากขึ้นเป็นเป็นไม่ได้ที่มุสลิมจะไม่รักนบีถ้าได้เรียนปอดของนบีทีนี้มาประเด็นสําคัญครับทําไมมุสลิมถึงสามารถรักนบีหรือต้องรักนบีมากกว่ารักพ่อแม่คําตอบครับเพราะสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลฮุไอลาฮิวะซัลลัมทาให้กับพวกเรานั้นมากกว่าสิ่งที่พ่อแม่ของพวกเราทุกคนทําให้กับเราสิ กว่าแบบไม่มีข้ขอคางแข็งใจใดๆทั้งสิ้นในหัวใจของมุสลิมย้ำนะครับเราไม่ได้ลดสถานะของคนเป็นแพนพ่อเป็นแม่ลงมานะเราไม่ได้รับแม่น้อยลงพอเรียนปรบจาบีเราไม่ได้รัพรรบรรพ่อน้อยลงเรารับทานมากเท่าที่ลูกคนหนึ่ง จะรักพ่อได้เท่าที่ลูกคนหนึ่งจะรักแม่ได้แต่เพียงแต่มผมอยากให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสลลฺละฮ์อวย์สุลแลมได้เสียสละให้กับเรานั้นมากกว่าสิ่งที่แม่คนใดก็ตามในโลกเสียสละให้กับลูกเสียอีกน้องบางคนบอกเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ครับแล้วก็เป็นไปแล้วครับสิ่งที่ท่านาานบีมูฮัมหมัดสลลฺละฮ์อวย์สุลแลมได้ทําให้กับเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พ่อแม่คนใดทําให้กับลูกเสียอีก ย้ำอีกครั้งหนึ่งบุญคุณของพ่อแม่เกินจินตนาการความรักความพอใจของเราอยู่ที่ความรักความพึพอใจของพ่อแม่แต่ที่เรากําลังพูดคุยกันก็คือเมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เราจําเป็นต้องรู้แ้วว่าท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลตานวะเดลสลัมนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนในสถานะของคนคนหนึ่งที่มีบุญคุณกับเราในฐานะที่เราเป็นเราผมขอแยกยกเหตุการณ์ง่ายง่ายมาสามเหตุการณ์ ที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าท่านนาบีนั้นรักเรายิ่งกว่าพ่อแม่ที่รักเราเอาสามเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคิดว่าพอเพียงแล้วในสาเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่ครับพี่น้องที่รักยิ่งเรารู้ว่าพ่อแม่พร้อมที่จะตายแทนลูกได้เรารู้ว่าพ่อแม่นั้นพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างให้กับลูกได้ในขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้ลงมือในภาคปฏิบัติเลยในการที่ว่าไปเจรจาต่อรองต่อผู้ที่ท่านกลัวมากที่สุดต่อผู้ที่ท่านรักมากที่สุดต่อผู้ที่ท่านไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งมากที่สุดแต่ท่านอับีุลโมฮัมหมัดสุลต่ากลับไปต่อรองกับอัลลอ์เพื่อใครเพื่อผมเพื่อพี่น้องทุกคนเพื่อพวกเราทุกคนทั้งทั้งที่นบีก็ไม่รู้จัก ทั้งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลัลละฮ์อะลัย์สัลลัมไม่รู้จักในคืน ros, อิสราอมารอสตานที่พระว ال ال ่าท่านชิบดีนพาท่านนบีไปข้างฟ้าพรลว ال ال ่าที่ซิดรัตรตันมุนตาหาเมื่อท่านนบีมุส ล, ลิมส์ลัมขึ้นไปรับบทบัญญัติอัลลอฮ์บอกว่าไงครับข้าได้กำหนดให้ประชาชาติของเจ้าละหมาดวันละหสิบเวลาอัลล์สั่งใครครับสั่งคนที่รักองมากที่สุดคือสั่งท่านนบีมูฮัมมัดสลัดลฮอะลัยซ์สัลลัม แล้วท่านนบีก็รักอัลลอฮ์มากที่สุดแต่เมื่อท่านนบีได้เดินทางกลับมาลงมาที่ฟากฟ้าเจอท่านบาานบีมูซาท่านนบีมูซาทักว่าไงครับมุฮัมมัดเจ้าได้รับคำสั่งอะไรจากอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์สั่งใให้ผมละหมาดเวลาห้สิบเวลาท่านนบีทำได้ไหมทำได้สบายอยู่แล้วระดับท่านนบีแล้วคิดว่าซาบะเป็นจานวนไม่น้อยก็ทาได้ละหมาดเวลาสิบเวลา เมื่อท่านนบีมูซาได้ยินครับความรักของท่านนบีมูซาที่มีต่อประชาชาติเหมือนกับความรักที่พ่อมีต่อลูกแล้วท่านนบีมูซารักแม้แต่พวกเราที่ท่านนบีมูซาไม่รู้จักนี่คือความยิ่งใหญ่ของหัวใจของมาดานบีท่านนบีมูซาเตือนกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานว่าเลสลัม ว, ว่าไงครับคุณกลับไปหาลอสเถอะนะแล้วไปขอต่อพระองค์ให้ช่วยผ่อนผันให้กับคุณฉันลอมาแล้วกับพวกยูพวกยูละหมาดแค่วันละสองเวลามันยังรักษาไม่ได้ ฉันกลัวว่าประชาชนของคุณจะทําไม่ได้แล้วอัลลอฮ์จะโกรธกิ่วพวกเขาซุบฮานอัลลอฮ์หัวใจของนบีมูซ่าจนนบีมูฮัมมสุลัมฮอิลาอิ <Wood> ัสลามเมื่อได้ยินท่านยิ่งตกใจยิ่งกว่าครับท่านมาคิดได้บอกเออประชาชนของฉันอาจจะทนไม่ได้ประชาชนของฉันอาจจะรับไม่ได้ท่านนบีบอกกับทิบลินว่าไงครับช่วยพาฉันกลับไปหาใครกลับไปหาผู้ล้อซุบฮานะฮัวตาลาบุคคลที่ท่านนบีรู้จักดีที่สุด พี่น้องถ้าคนไม่รู้จักออล้ออาจจะไม่กลัวล้อคนที่ไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพอง่อจะไม่มีทางรู้ว่าการลงโทษของพ่อออล้านห น, น้าสะพึนกลัวแค่ไหนจะไม่มีทางรู้ว่าความกดดกิ้วของออล้อนนั้นรุนแรงขนาดไหนแต่ท่านบีโมมาสโลโลฮวยสัมรู้จักออล้อดีกว่าใครวัวออล้อมากกว่าใครแต่พอเห็นแก่พวกเราทุกคนท่านบีกลับไปหาพ่อออล้อแล้วก็บอกว่ายาวล้อช่วยผ่อนปลนให้กับประชาชาติของฉันด้วย นี่เข้าใข่ฝ่าฝืนกคำสั่งเราแล้แลม่เราบอกแล้วว่าต้องห้าสิบแต่นี่จิบีกลับไปขอต่อรองพี่น้องพี่น้องจิตตนาการตัวพี่น้องเองจับลูกพี่น้องก็ได้สมมติสมมตุติคนใหญ่คนโตสักคนบอกว่าเดี๋ยวเธอนะกลับไปบ้านนะเธอต้องทําโปรเจกต์นี้ให้เสร็จกับครอบครัวของเธอถ้าทําไม่เสร็จนะเธอจะโดนทรมานสุดแสนเกินจินตนาการแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนที่มีอานาจมากๆพี่น้องจะเป็นยังไงครับ ตัวสั่งเงินงบอาจจะบอกว่าขอขอเธอขอทโทษถนะ้เห็นเกิดเห็นเกิดเดือดเห็นแกิอะไรเถิดแต่ด้วยความกลัวอาจจะทําให้พูดไม่ออกแล้วก็กลับมาเฉยๆท่านอับดุลบี๊ยับไปหาพวกวาสุบาลูตะตาแล้วขอต่อรองพวกเราต้องใช้เท่าไหร่จากห้าสิบจากห้าสิบหลือสี่ิบห้าเวลาอาลัลลอฮ์ผู้ทรงสงส่งลดให้ห้าเวลาท่านอบีกลกับมาเจอ ท, ท่านอบีมูซาท่านอบีมูซาบอกกลับไปเถอะไม่ไหวหรอกท่านอบีก็ห่วงพวกเรา ไปตื้อฟัวลอสบาใหัวตายลาเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สองตื้อรอบแรกลดเหลือสี่บห้าครั้งที่สองเหลือสี่สิบครั้งที่สามเหลือสาสิบห้าครั้งที่สีเหลือสาสิบครั้งที่ห้าเหลือยี่สิบห้าครั้งที่หกเหลือยี่สบครั้งที่เจ็ดเหลือสิบห้าครั้งที่แปดเหลือสิบครั้งที่เก้าเหลือห้าเวลาพี่น้อง กล้าไปเจราจาต่อรองกับคนใหญ่คนโตที่มีอํานาจครับนี่คืออานาจมหาศาลพี่น้องจะกล้าไปต่อรองเพื่อลูกของเราถึงเก้าครั้งไหมพี่น้องคิดว่าอย่างมากแล้วก็คงว่าโอ้ละหมาดรถมาเหลือต้องสี่สบเวลาเออเคอเคยลกูกๆตองอ่นไม่ได้ต้องไปทําให้เขาทําไม่ได้เพราะกาลัวละแต่นี่ท่านนบีมอร์มัสรอล์อิสลามทำในสิ่งที่ท่านนั้นก็กระดากอายเหลือเกิน ท่นอายต่ออร่อยเหลือเกินผลสุดท้ายเหลือ5เวลาในบีมูซาบอกว่ากลับไปลดอีกขอลดอีกท่านนบีมูฮับอกว่าฉันอายแล้วอายเต็มที่ฉันทนไม่ไหวแล้วรัก อ, อัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์แต่ที่ฉันห่วงประชาชาิของฉันก็เลยไปต่อรองต่อรองจนแน่ฉันเนี่ยรู้สึกอายหมดแล้วแล้วพวกเราก็ได้บอกว่าคําพูดของข้าคําไหนคํานั้นประชาชาติของเจ้าใครก็ตามละหมาด5เวลาจะได้ผลบุญเท่ากับ50เวลา นี่คือความรักมองไม่ตาขอรักที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักของท่านรบียร์โมมัสรอร์ล้องอะลีบัสสลัมอันนี้เหตุการณ์แรกที่แสดงให้เห็นว่าความรักของท่านรบีนั้นมีมากกว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเราเหตุการณ์ที่สองครับพี่น้องในวันกิยามะในวันที่ว่าคนทุกคนพวกเราถูกฟื้นคืนชีพในสภาพที่เปลือยเปล่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่อไอช้าถามท่านรบีว่าซื้อรัโปโอลกันไม่มองกันหรือท่านระเบียร์บอกไอช้าเอ๋ย ถึงเวลามันไม่มีใครดูกันแล้วมันกลัวมันเครียดมันฉันจะรอดไหมฉันจะเป็นยังไงไม่เจออะไรขึ้นกับฉันจะมีแต่เรื่องเครียดจนไม่สนใจรูปลักษณ์ตัวเองแล้วคืเครียดแต่ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกับที่ว่ากล่าวไว้ครับรีกุลริมริอิมมินหุมเยาวมาอิรินชาอนิยุคนี้ในวันวันนั้นคนแต่ละคนเขาก็จะมีแต่เรื่องคิดเครียดที่อยู่ในหัวพี่น้องเคอแม้เวลาเครียดอะไรมากๆใครจะมายุ่งเราไม่อยากให้ยุ่งถูกไหมครับ บางทีลูกจะมายุ่งลูกมาอยากขอกรอย่างอยากขอหอมหน่อยแล้วจะบอกว่าไงลูกพ่อกำลังเครียดแม่กำลังเครียดไปเล่นที่อื่นก่อนบางทีเราตวาดใส่เขาบางทีเราโกรธใส่เขาบางทีเราตีเขาถ้าเวลาเราเครียดมากๆถูกไหมครับหรือบางทีเราโดนพ่อแม่เราตีทั้งทังที่พ่อแม่รักเรามากกว่าใครแต่พี่น้องที่รักเองครับสภาพความน่าสะพรึงกลัวของวันเกียร์นะวันที่ว่าทุกคนพานหลุมศพมาแลว้วรู้แล้วว่าต้องถูก คืนคืนชีพเวลาที่พ่อร้อยมาเละกาลากนรกมาให้ดูมาเละกะเอาโซ่มาตวนไฟนรกะมีทั้งหมดเจ0 0หมืนเส้นแล้วแต่ละเส้นมีมาละกะเจ็ดหมื่นท่านลากไฟนรกะมาเพื่อให้ได้เห็นกันตอนนั้นมันเครียดมันกลัวมันไม่สนใจใครพี่น้องที่รักเยาวมายาเฟรุลมารุมินอาคีหิวอุมมิหิวอบีหิวซอฮิบัติฮิวบานีหิ ว่าข่าวในข่าวอานว่าไงครับในวันวันนั้นะคนแต่ละคนจะหนีจากคนที่เขารู้จักหนีจากคนที่เขารักเจนหนีจากพ่อของเขาจะหนีจากแม่ของเขาจะหนีจากผู้ครองของเขาจะหนีจากลูกๆของเขาในวันวันนั้นทุกคนจะพูดว่าไงครับนับสี่นับสี่ตัวฉันตัวฉันพอคนไปลูกไปหาพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยช่วยหน่อยนะเดี๋ยวพูดกับอลอสหน่อยนะว่าตอนนั้นมันเกิดอย่างงี้มันเกินีัพ่อแม่บอกว่าไงครับ ดูนับสี่นสี่ถ้าพ่อแม่รอดเดี๋ยวอิชาเราอาจจะขอเราช่วยทีหลังแต่ตอนเนี้ยนับสี่นับสี่ขอตัวฉันรอดก่อนในวันนั้นคนทุกคนจะพูดว่านับสี่นับสี่ม้แต่บรรดานนะบีครับพี่น้องในเวลาที่ว่าทุกคนถูกฟืน้นคืนชีพขึ้นมาทุกคนเลยพอเราปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในสภาพอย่างนั้นไปเป็นระยะเวลายาวนานๆานแค่ไไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าหนึ่งวัน ในโลกแห่งการสอบสวนเนี่ยเทียบเท่ากับห้าหมื่นปีของดุนยาคอมซีนอัลฟัสนะห้าหมนปีขอแค่อร้อยเรารอแค่ห้านาทีในโลกหน้ามันก็ไม่รู้จี่พันปีของโลกนี้แล้วพี่น้องรอนานมากนานแค่ไหนไม่มีใครรู้จนทรมานผู้คนพากัน ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกับเวลาเรารอลุ้นรอผลสอบรอผลสอบไม่มาสักทีเราเครียดเราเครียดเราเครียดถึงขั้นที่ว่าไม่เป็นไรฉันตกก็ได้ฉันอยากรู้ผลฉันทนไม่ไหวแล้วโลกหน้าก็เป็นอย่างนี้ครับทุกคนฟื้นขึ้นมาแต่ละคนเครียดกับเรื่องของตัวเองพฟรลอสส์บาโนวัตลาก็ไม่ยอมเริ่มการสอบสวนสักทีเขาก็เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดรอไปช่วงยะเวลายาวนานมากๆจนทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนจะไปหาท่านอาดุล บัมพบุตรในพ่อไงพ่อของทุกคนไปหาแล้วก็บอกว่าพ่อช่วยขอต่อลอทีว่าเริ่มได้แล้วพวกเราไม่ไหวแล้วความเครียดมันกัดกินสุดๆแล้วขอลอให้เริ่มทีท่านวิทยาดามบอกว่าไงครับฉันทําผิดกับอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ห้ามฉันไม่ให้เข้าใกล้ต้นไม้ตัว น, นั้นฉันทําผิดไปแล้วฉันรุ่นเกินพ่อไปแล้วฉันไม่มีหน้าไปเจรจาต่อรองกับอลัลลอฮ์หรอกคือเหมือนกับว่าความผิดมันยังรู้สึก ฝังใจแล้วมันไม่มีหน้าไปขอจากเราผู้คนก็จะไปหานาบีแต่ละคนไปหานาบีนูน้นว่าอบีนู้นก็บอกฉันก็เคยทําผิดพลาดในชีวิตแปอับุลีมูซา่าอบดุีมูซาก็าบอกฉันก็เคยทําผิดพลาดในชีวิตฉันไม่มีหน้าไปเจอแล้วไปหาท่านอบีมูซา่าไปหาท่านอบีอีซาทุกท่านพูดเหมือนกันก็คือนับสี่นับสี่เธอไปหาคนอื่นเถะขนาดบรรดา น, นาบีสภาพความน่าสะพนกลัวของวันเกียร์มาทุกคนบอกว่านับสี่นับสี่ จนกระทั่งเมื่อผู้คนไปหาท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะไอลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับท่านนาบีพอผู้คนมาพูดท่านนาบีจะไปที่อารชของอัลลอฮ์แล้วก็จะซื้อหยูดซืยุดพี่น้องรู้ไหมว่าประโยคที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะไอลัยฮิซัลลัมพูดคืออะไรตอนนี้ทุกคนในโลกจะพูดกันนับสี่นับสี่ตัวผม ผมเองพี่น้องทุกคนพ่อแม่ของเราลูกๆของเราทุกคนบอกว่านับสี่นับสี่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลของอิสลามในช่วงที่ขับขันที่สุดท่านนาบีจะบอกว่าอุ mm ati, um ati Allah, มมตีอุมมาตีอัลลอฮ์เมตตาประชาชาติของฉันด้วยอัลลอฮ์เมตตาประชาชาติของผมบ้างใครเป็นคนขอครับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลของอิสลามขอต่ออัลลอฮ์ในช่วงเวลาที่ขับขันที่สุดให้กับพวกเราทุกคน พี่น้องที่รัก 1941, ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์บอกไว้นะครับว่านบีทุกคนเนี่ยจะมีดุอาจะได้คําขอคนละหนึ่งข้อนบีทุกคนเลยได้คําขอจากละคนละหนึ่งข้อคือขออะไรก็ตามอัลลอฮ์รับทันทีอัลลอฮ์ให้กับนบีแต่ละท่านคนละหนึ่งคำขอซึ่งนบีทุกท่านใช้คําขอไปแล้วตอนที่มีชีวิตใช้ขึ้นไปหมดแล้วแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์บอกว่าคําขอของฉันนี้ ฉันจะเก็บไว้ไปขอต่อล้อในโลกหน้าให้กับพวกเราทุกคนสาาว่านะวบุคคลที่รักเรามากขนาดนี้รักเรามากกว่าใครท่่งเทให้กับเรามากกว่าใครมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติละครับที่เราก็จะรักท่านมากกว่าใครนี่คือเรื่องที่สองที่เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้รู้ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่าวะอัลลอฮลลนั้นรักเรายิ่งกว่าพ่อแม่ของเรา พี่น้องทีละครับอีกเหตุการณ์หนึ่งจริงๆมีมากมายครับยิ่งพี่น้องรู้จักนบีพี่น้องจะยิ่งรักท่านนบีและยิ่งพี่น้องรู้ว่าท่านนบีทําอะไรเพื่อพวกเราทุกคนบ้านพี่น้องจะยิ่งรักท่านยิ่งเราล้อสั่งใช้ว่าความรักของล้อขึ้นอยู่กับการที่เราต้องรักนบีเรายิ่งรักท่านนบีมุฮัมมัดสุลองอัลเลาะห์บัสซาร์รัมแล้วยิ่งสละบายให้กับท่านนบีบ่อยๆแล้วยิ่งให้สามกับท่านนบีบ่อยๆเหตุการณ์ที่3ในวันเกียรมนะหลังจากที่ว่าชาวนรกกลลงนไปแ้ว หลังจากที่ชาวสวรรค์ขึ้นสวรรค์ไปแล้วพี่น้องที่รักทราบไหมคนที่ในระคุณต่อพ่อแม่นั้นจะถูกลงโทษในไฟนรกอย่างเจ็บแสบทรมานสุดๆถึงเวลานั้นพี่น้องครับเมื่อชาวสวรรค์อยู่ในสวรรค์แล้วท่านอาบี ม, มุฮัมมัด ส, สลุลตานฮวาเลวัลสลัมท่านก็อยู่ในสวรรค์ไปแล้วท่านก็ยังคิดถึงประชาชาติของท่านท่านก็นขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้เห็นสภาพของชาวนรก แล้วท่านก็นจะพบเจอพวกกลุ่มคนที่ในรกุณพ่อแม่ที่โดนทรมานแสนสาสหัสที่เกินจินตนาการพี่น้องรู้ไหมเข้าสวรรค์ไปแล้วท่านอบดุลเบียรายังไงท่านบอับดุลเบีย ร, ร์มุสอวะซามขอดัวาจากลอให้ได้ไปเจอพ่อแม่ของเขาเหล่านั้นเพราะท่านอบดุลเบียร์ขอต่อลว่ายกโทษให้เขาได้แล้วเขาโดนลงโทษมานานแล้วไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ว่านานนานแสนนานท่านอับดุลเบียร์ขอดัวาจากลอให้บอกว่ายกโทษให้เขาได้แล้วพวกเราก็บอกว่าไงครับไม่ จนกว่าพ่อแม่ของเขาจะยกโทษให้เขาก่อนฉันมบมีบโนสวะสามจะไปหาพ่อแม่ของคนเหล่านั้นก็บอกว่ายกโทษให้ลูกคุณเถิดในดุนยาที่เขาเนรคุณที่เขาเป็นลูกที่ชั่วร้ายที่เขาเป็นลูกที่ไม่ดียกโทษให้เขาพ่อแม่เหล่านั้นก็จะบอกว่าเขาได้รับในสิ่งที่เขาสมควรแล้วเพราะอายุร้อทุกคนอายุเท่ากันหมดแล้วเท่าเทียมกันหมดแล้วความผูกพันในดุนยามันก็เจือจางไปแล้วนี่คือสัจธรรมที่จะเกิดขึ้นครับพี่น้อง แต่ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสลามก็จะเพียรพยายามจะตืต้อๆๆๆจนผลสุดท้ายเนี่ยท่านนบีจะขอจากลอให้พ่อแม่ได้เห็นว่าลูกถูกลงโทษอย่างไรจนเมื่อพ่อแม่เห็นพ่อแม่ก็จะบอกว่าฉันยกโทษให้กับเ้าเหล่านั้นแล้วลูกๆเหล่านั้นถึงจะมีโอกาสได้มาเข้าสวรรค์ด้วยความไม่ตาขอร้องนี่แสดงถึงอะไรครับความรัก ความรักของท่านนาบีมูฮัมมัดอลลัมที่มีต่อพวกเราทุกคนที่ท่านนาบีไม่รู้จักพี่น้องมันเป็นไปได้อย่างไรที่คนคนนึงจะรักอีกคนที่เขาไม่รู้จักถึงขนาดทุ่มเทให้มากกว่าพ่อแม่ทุ่มเทให้ฉังเป็นหัวใจที่ใสสะอาดฉันเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันเป็นหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักในครั้งหนึ่งท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัมท่านนบีท่านนั่งอยู่กับบรรดาสาบและ่านก็ร้องไห้ เบญจาซอบาถามว่ายาเรอสุรุลละมายุกี้ทำไมท่านถึงร้องไห้เหรออะไรทำให้ท่านร้องไห้ท่านละบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุสลาห์บอกว่าฉันคิดถึงพี่น้องของฉันสุภาละล่ะคิดถึงจนร้องไห้พี่น้องเคยไหมครับคิดถึงคนที่เรารักมากๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมรู้ดีเวลาที่ลูกไปกไกลๆเราคิดถึงเขาบางทีเราก็ร้องไห้อันนี้ท่านละบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุสลาห์อยู่กับเบญจาซอบาแล้วท่านลบีก็ร้องไห้ ซาบะถามทำไมท่านถึงร้องไห้ชานาบีบอกฉันคิดถึงพี่น้องของฉันซาบะบอกพวกเราไม่ใช่พี่น้องของท่านเลยเราก็อยู่กับท่านท่านจะร้องไห้ทำไมท่านจะเสียใจทำไมชานา บ, บียมูฮัมหมัดสุลตานบอกว่าพวกท่านไม่ใช่พี่น้องของฉันพวกท่านเป็นพรรคพวกของฉันเป็นซาฮาบะอาซาฮาบะก็คือเป็นพรรคพวกนี่คือตําแหน่งที่ส่งเกียรติพวกท่านคือซาฮาบะของฉันแต่พี่น้องของฉัน พวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มคนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอ์แล้วก็ศรัทธาในฉันเชื่อมั่นในฉันก็คือหลักศรัทธาต่อนบีเป็นหนลักการเป็นมุสลิมถูกไหมครับเ <_ S 2> ขาคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอ์เป็นมุสลิมเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันพูดทั้งๆ ท, ที่เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เจอฉันไม่ได้เห็นฉันแต่เขาก็ศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดฉันรักพวกเขาแล้วฉันก็คิดถึงพวกเขาอย่าเกิน สุบาร์นลอนี่คือความรักของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลของอัลลอฮุซลามที่มีให้กับพวกเราทุกคนผมก็เลยว่าถ้าพวกเราไม่เข้าใจว่าทําไมคนคนหนึงถึงรักคนอีกคนหนึงมากกว่าพ่อแม่ได้ขอเพียงเราเรียนรู้ขอเพียงเราเปิดใจขอเพียงเราศึกษาบดของท่านนาบีแล้วเราจะพบว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่ไม่รักท่านนาบีแปลว่าเขาไม่ได้รู้จักท่านนาบี แปลว่าเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาจริงแล้วก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรักอัลละฮ์จริงเพราะเรืไขข้อนี้ครับผู้ัสบาตราก็จึงได้ผูกครับผมผูกว่าไงครับคนหนึ่งคนใดใ น, นผูกของพวกท่านจะมีศรัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักฉันมากกว่าที่รักมนุษย์ทุกคนบนแผ่นพื้นนีนน้นี่คือสิ่งที่น้อยท่านมบีมฮศสอลย์สลามาบอกกับพวกเราถึง ความรักยิ่ง ใ, ใหญ่พ่อท่านอบีเหมือนกับพ่อแม่ทุกคนนะครับพ่อแม่ปกติไม่ใช่คนที่ว่าอยากจะอวดอ้างเพื่อให้ลูกมาขอบคุณเมื่อทำความดีพ่อแม่ทำความดีก็มีความสุขเห็นลูกมีความสุขก็มีความสุขท่านอบีมูฮัมมัด ส, สลลอห์อิสลามยิ่งไปกว่านั้นความรักของนัานที่มีต่อพวกเราไม่ใช่จบแค่ดุนยาแม้แต่ ชีวิตหลังความตายความรักของท่านก็ยังไม่ตายเป็นความรักที่อมาตะอย่างแท้จริงเท่าที่คนคนหนึ่งจะมีกับคนอีกคนหนึ่งได้ครับพี่น้องที่รักเนื้อไ ม, ม่เมุสลิมครับเขาจะไม่ศรัทธาจนกว่าฉันจะเป็นที่รักสําหรับเขามากกว่าครอบครัวของเขามากกว่าทรัพย์สินของเขามากกว่ามุสีชาติทั้งหมดพี่น้องที่รักยิ่งครั้งหนึ่งท่านอาบับบีได้อยู่กับท่านอุมัตราเยลออันหูท่านอุมัต มองหน้าท่านาอับดุลโมสลล์ของเรศรามความรู้สึกมันเอ่อล้นในใจท่านอบีบอกว่าเมื่อรักใครให้บอกว่ารักเขาท่านอูมัต์ก็บอกว่ายาระซูลล์ฉันรักท่านเหลือกเกินในชีวิตนี้ในโลกนี้ฉันรักท่านมากกว่าทุกคนในโลกนี้รักเท่ากับที่ฉันรักตัวของฉันเองซุบฮานะลลอฮเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มีใครกล้าพูดประโยคนี้รักเท่ากับที่รักตัวเอง แต่พี่น้องที่รักท่านนาบีมูฮัมมัดสโลโลของอัลลอฮ์สลัมกลับบอกว่าอุมัดยังไม่ใช่มันยังไม่ถูกท่าอุมัดเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดครับหลายครั้งความคิดของท่านสอดคล้องกับความคิดของอัลลอฮ์แล้วก็บางครั้งความคิดของท่านสอดคล้องกับความคิดของอัลลอฮ์ในขณะที่ไม่ตรงกับความคิดของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลโลของอัลลอฮ์สลัมแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของท่านที่อัลลอฮ์ให้ท่านท่านอุมัหนึ่งคิด แท่านอุมัตก็บอกว่าไงครับยาระซูลละท่านท่านเปลี่ยนใจแล้วท่านทบทวนกับตัวเองแล้วท่านได้ความคิดแล้วท่านบอกว่ายาระซูลละท่านนี่ยเป็นบุคคลที่ฉันรักมากที่สุดแล้วในดุนยานี้รักมากกว่าที่ฉันรักตัวของฉันเองเสียอีกรักมากกว่าตัวท่านอุมัตแล้วท่านอับดุลเบียร์มอมัตสลวะซันบอกว่าอัลอาอัอาัลอานัลยาอุมัตตอนนี้แหละถูกต้องแล้วนี่คือการศรัทธาที่เจ้าจําเป็นจะต้องมีท่านอบีไม่ได้ต้องการให้คนมายกย่อง เทิทูนเพราะว่าท่านเป็นคนหลมและเลวหรือว่าหญิงแสวงไม่ใช่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านเป็นคนที่นอกน้อมทาต้นมารยาทของท่านตัวตนของท่านถอดแบบมาจากกุรานทางเล่มเลยในกุรานเวลาพูดถึงนบีคนไหนที่ทำมารยาดีๆคุณลักษณะนั้นจะมีในท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่ามในกุรานเวลามีการพูดถึงพฤติกรรมไหนที่ไม่ดีเราก็จะพบว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะไม่มีในตัวท่านอับดุลโมฮัมลมัดสุลต่าน นี่คือท่านนบีมูฮัมหมัดสโลลองอะไรที่วัสสลัมครับเพราะนเพื่นพี่น้องที่รักทจ่ิงครับหนึ่งในสัญญาณ <t ap S 1> <hehe> ที่แสดงให้รู้ว่าพวกเรานั้นรักท่านนบีมูฮัมหมัดสโลลองอะัสสลัมอย่างแท้จริงคือการที่เรานั้นต้องทําตามแบบอย่างท่านนบีเมื่อเรารู้ว่าวันค้ายวันเกิดของท่านท่านนบีนั้นทําการถือศีลดท่านนบีถือศีลดทุกอาทิตย์ไม่ใช่เอาเป็นรอบปีท่านเอาเป็นรอบอาทิตย์ เรารักนบีท่านนบีถือสินอดเราก็พยายามถือสุดมากๆเพราะเรารักนบีเพราะเราอยากอยู่กับท่านนบีเวลาขอดุทิศจากอัลลอฮ์เราก็อย่าลืมซาลาห์ให้กับท่านนบีอย่าลืมขอดุทิศให้อัลลอฮ์เมตตาท่านนบีให้ความปลอดภัยให้ความสนติทกับท่านนบีถึงเวลาเราดูอาเราก็อย่าลืมขอดุทิศให้กับโรงพาบาลของท่านนบีให้กับนิสหายของท่านนบีให้กับคนที่ท่านนบีมุฮัซลลอฮฺห้อยซามรักพวกเขาเหล่านั้นเวลาดูอา ก็อย่าลืมขอด้วยให้อัลลอฮ์นั้นให้เราได้อยู่ร่วมกับท่านนบีมูฮัมมัดสุะละลัะลฮวาลาฮิวะซัลลัมซึ่งที่พำนักของท่านนั้นเป็นที่พำนักที่ดีงามที่สุดแล้วในสวรรค์นนครับก็ขอด้วยจา ก, กผู้อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเมตตาผู้ที่สร้างพวกเรามาผู้ซี่ไม่มีใครผู้เคียงเสมอเหมือนพระ อ, องค์ผู้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงผู้ที่ไม่ได้คอดใครออกมาแล้วก็ไม่ได้ถูกถูกขอดออกมา ขอโดยเจ้าลอผู้ทรงยิ่งใหญ่ครับผู้ทรงเมตตาผู้ทรงเป็นที่รักขอโดยเจาาลอให้เรานั้นมีหัวใจที่รักพระองค์ขอให้เรานั้นมีหัวใจที่รักการงานที่ดีๆที่จะทําให้พงษ์นั้นรักเราขอให้เรานั้นมีหัวใจที่รักบุคคลใดก็ตามที่พงษนั้นรักเขาโดยเฉพาะขอให้เรานั้นมีหัวใจที่รักท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานของอัลลอฮฺละอัลลอฮรักครอบครัวของท่านแล้วก็รักบรรดาสหาบ้างของท่านขอให้เรานั้น ได้เห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอให้เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดได้ออกหากจากมันขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าได้ทําตามแบบอย่างของเจ้านบีมูฮัมหมัดสุลตานของอัลเลาะห์เบสลัมเพราะเรานั้นขอบคุญ ล, ละลอฮ์มากมายเพราะเรานั้นขอบคุญ ล, ละลอฮ์ด้วยการขอบคุณที่ว่าเราไม่รู้จะขอบคุณพวกยังไงที่ให้เรานั้นมีโอกาสได้เป็นอุมมะ อยู่ในประชาชาติของบุคคลที่ประเสริฐที่สุดบุคคลนี้ก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานฮุสไลฮิวะซัลลัมวาคือดาวะอัิฮัมดิลลิลลาฮิรับบิลอาลามีลรับสุบฮานักล่ามาวิฮัมดิค่ะ أشهدو اللّه إ ل ه ل ا أنت أستغفروك واتوبي لا ت ب จากพบกันีนครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์ครับมัลลิขุมบรหัมลลอฮวาบาริกะตุครับอัลลอฮมัสีลามุฮัมมัด